ศิกขาบทที่6ว่าด้วยการทำอันตรายแก่จีวรลาบของคณะเรื่องภิกษุณีทุลันนันธา907สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกาเสถีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระกูลุปถากของภิกษุณีทุลนันนันธาได้กล่าวกับภิกษุณีทุลันนันธาดังนี้ว่า แม่เจ้าพวกเราจะถวายจีวอนแก่ภิกษุณีสงฆ์ภิกษุณีทุลนันทากล่าวว่าพวกท่านมีกิจมากมีสิ่งที่ต้องทํามากได้ทําอันตรายแก่ลาบของคณะต่อมาเรือนตระกูลนั้นถูกไฟไหม้พวกเขาตําหนิประนามโผลนธนาว่าขณะภิกษุณีทุลนันทาจึงทําอันตรายไทายธรรมของพวกเราเล่าพวกเราต้องคลาดจากสมบัติทั้งสองคือโภคสมบัติและบุญสมบัติ ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตนําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนในแม่เจ้าทุลนันทาจึงทำอันต ร, รายแก่จีวรที่คณะจะพึงได้เล่าครั้นแล้ ว, ลวภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ